เรื่องพระฉับพัก ค, คีใช้เครื่องประดับชนิดต่างๆสมัยนั้นพวกภิกษุฉับพัก ค, คีใช้เครื่องประดับหูใช้สร้อยสังวานใช้สร้อยคอใช้เครื่องประดับเอวใช้ว่าลายใช้สร้อยตรับใช้เครื่องประดับข้อมือ ใช้แหวนสวมนิ้วมือคนทั้งหลายจึงตำหนิประนามโผนทนาว่าชไหนพวกภิกษุฉับพัก ค, คีจึงใช้เครื่องประดับหูใช้สร้อยสังวานใช้สร้อยคอใช้เครื่องประดับเอวใช้ว่าไลใช้สร้อยตาบับใช้เครื่องประดับข้อมือใช้แหวนสวมนิ้วมือเหมือนกับคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามเล่า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 ไม่พึงใช้แหวนสวมนิ้วมือรูปใดใช้ต้องอาบัดทุกกฎ